สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหรคนชอบเล่าวันนี้ในหมวดของเรื่องลี้ลับผมจะขอเล่าเรื่องราวที่เขาเล่าว่าสืบต่อกันมาให้ฟังนะครับลองฟังกันดูยุย้ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 15-16 ปีบ้านของยุ้ยนั้นเป็นบ้านเก่าแก่อยู่กันมาหลายชั่วอายุคน จนกระทั่งบ้านหลังนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นของพ่อแม่ของยุย้ยที่ดินก็เป็นของต้นตระกูลเหมือนกันดังนั้นภายในบ้านจึงเต็มไปด้วยของเก่าไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เตียงของใช้ชนิดต่างๆครั้งหนึ่งยุ้ยเคยสงสัยว่าทำไมาบ้านเพื่อนถึงมีของใช้ที่ดูทันสมัยแต่ทำไมาที่บ้านของตนเองกลับมีแต่ของเก่าๆไม่เหมือนบ้านของคนอื่นจนกระทั่งโตขึ้นถึงได้เข้าใจ วันหนึ่งไม่รู้ว่าทำไมยุ้ยถึงนึกอยากเข้าไปในห้องเก็บของทั้งๆ ท, ที่แต่ก่อนไม่เคยนึกอยากจะเข้าไปดูเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีมันก็ดูอับๆน่ากลัวเข้าไปแล้วก็ทำให้รู้สึกต้องขนลุกทุกครั้งบ่ายวันนั้นยุ๋ยเดินเข้าไปในห้องเก็บของมองไปรอบๆห้องที่เต็มไปด้วยของเก่าทั้งนั้นไม่รู้จะเก็บไว้ทาไมน่ากลัวจะตายมีแต่ของเก่าคร่ํารึ้ยุ๋ยบ่นกับตัวเอง แล้วก็หยิบของชิ้นนั้นชิ้นนี้จนได้เห็นกระจกบานหนึ่งที่สะดุดตาหยุดมองอยู่หน้ากระจกแล้วก็หาผ้ามาเช็ดฝุ่นออกยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกชอบและถูกชะตามากเลยตัดสินใจทำความสะอาดและยกขึ้นไปไว้ในห้องนอนของตนทุกวันยุ้ยจะต้องส่องกระจกบานนี้ทั้งๆที่ในห้องนี้ก็มีกระจกเดิมอยู่แล้วแต่ยุ้ยก็ไม่เคยที่จะใช้ส่องอีกเลยลักษณะของกระจกบานนี้ มีขนาด2ได้ถึงครึ่งตัวเป็นกรอบไม้มีลวดลายสวยงามวันหนึ่งวันหนึ่งยุ้ยจะส่องหลายครั้งมากแต่ก่อนยุ้ยจะส่องแค่ตอนแต่งตัวเท่านั้นแต่พอผ่านไปได้หนึ่งอาทิตย์ก็เพิ่งจะสังเกตตัวเองว่าทําไมเราจะต้องส่งกระจกบานนี้วันละหลายครั้งด้วยนะไม่เข้าใจตัวเองเลยจนกระทั่งเริ่มเข้าสู่อาทิตย์ที่สองร่างกายของยุย้ยเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงส่องกระจกบานนั้นแล้วก็จะเห็นว่า ใบหน้าเริ่มซีดเซียวไปจากเดิมมากทาั้งๆที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรพ่อแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมายุ้ยก็ตอบว่าไม่ได้ทำอะไรวันถัดมาเมออื่อยุ้ยตื่นขึ้นมาสองกระจกเห็นใบหน้าเริ่มมีความเหี่ยวย่นเล็กน้อยก็ไม่ได้สนใจอะไรและในวันต่อมาตื่นขึ้นมาก็พบว่าหน้าตัวเองเหี่ยวคล้ายกับคนแก่จนตกใจทนไม่ไหวร้องลั่นบ้านกรีดขึ้นมาพ่อและแม่วิ่งขึ้นมาดูในห้อง เห็นยุย้ยนั่งซุดอยู่กับพื้นที่หน้ากระจกพอแม่จับยุย้ยให้ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาแม่ก็ร้องไ ห, ห้โ h o ที่เห็นหน้าของลูกสาวที่เคยสวยสดใสน่ารักต้องม่เหี่ยวย่นราวกับคนแก่อายุเจสิปีเกิดอะไรขึ้นทําไมหน้าของลูกถึงเป็นแบบนี้ไม่รู้ไม่รู้ดูตื่ขึ้นมาส่องกระจกดูก็เป็นแบบนี้แล้วโถ o เอ้ยลูกแม่และในวันนั้นพ่อแม่ก็ได้พายุย้ยไปหาหมอ ซึ่งหมอก็หาสาเหตุไม่พบจนต้องเวียนเปลี่ยนหมอรักษาหลายคนและแต่ละคนต่างก็สันนิษฐานไปต่างๆนานาแต่จนแล้วจนรอดอาการของยุ้ยก็ยังไม่ดีขึ้นเลยร่างกายของยุ้ยตอนนี้เริ่มไม่มีเรี่ยวแรงและวันนี้ก็พยายามฝืนเดินมาสองกระจกเพราะไม่มีแรงเดินมาหลายวันแล้วแต่และก็ต้องตกใจซ้ําอีกร้องกรี๊ดดังลั่นห้องอีกพ่อแม่รีบเข้ามาดูเห็นยุ้ยนั่งร้องไห้จนตัวสัน่นแม่เข้ามากอนยุ้ยแล้วก็บอกว่า แม่เห็นผมของลูกขาวหมดหัวมาตั้งสองวันแล้วแต่แม่ไม่กล้าบอกลูกกลัวลูกจะตกใจและเสียใจแม่สงสารลูกเหลือเกินแม่ไม่รู้ว่าจะพาลูกไปหาหมอที่ไหนอีกแล้วเพราะไม่มีหมอคนไหนรักษาอาการของลูกได้เลยโรคแบบนี้ตูยาตายายของเราก็ไม่เคยมีใครเป็นมาก่อนดูลองคิดดูสิว่าหนูไปทำอะไรมาบ้างหรือเปล่าแม่กับพ่อก็จนปัญญาที่จะรักษาอยู่แล้วเนี่ย ยุ้ยนั่งสงบสติอารมณ์หยุดร้องไห้ฟูมไฟตั้งสติแล้วคิดไปว่าตนเองไปทําอะไรมาบ้างสักพักยุ้ยกร้อะโจนเสียงดังใช่แล้วใช่แล้วแม่ตกใจที่อยู่ๆยุ้ยก็ตะโกนเสียงดังลั่นใช่อะไรกันลูกวันนั้นวันที่หนูก็ไปในห้องเก็บของและหนูก็พูดว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมหน้ากูจะตายมีแต่ของเก่าคร่ำทึ้งและหนูก็เอากระจกบานใหญ่มาเก็บไว้ในห้องนอนเนี่ย ถ้าเป็นความจริงหนึ่งที่ลูกพูดก็แสดงว่าบรรพบรุษคงไม่ชอบในคําพูดที่ลูกนูถูของที่พวกท่านสะสมไว้แน่ๆแม่บอกยุย้ยและนี่หนูจะทํายังไงก็ดีละคะหนูก็กลัวหนูจะต้องตายไหมเนี่ยพ่อว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าลองให้ลูกไปจุดธูปขอขมาลาโทษกับบรรพบรุษที่ได้ล่วงเกินในคําพูดไว้โดยรู้เท่าไม่ถึงการจะดีกว่านะคิดว่าวิธีนี้น่าจะพอช่วยได้ จากนั้นพ่อแม่ก็พาอยู่เป็นที่ห้องพระที่มีรูปบรรพบรุษอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จดุดธูปบอกกล่าวขอขอมาที่ได้ล่วงเกินในคําพูดโดยไม่ได้ตั้งใจขอให้ดวงวิญญาณของบรรพบรุษโปรดยกโทษให้กับลูกหลานด้วยเถิดเพราะสิ่งที่ดูทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการต่อจากนี้หนูจะไม่ทําอีกแล้วหนูจะระวังคําพูดหนูสัญญาจากนั้นก็ปักธูปลงพร้อมกับก้มลงกราบรูปของเหล่าบรรพบรุษ และเช้าวันรุ่งขึ้นยุ้ยตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นแจ่มใสกลับมามีเรี่ยวแรงกระปี้กระเป๋าทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ลุกขึ้นจากเตียงมันมีความรู้สึกอยากจะส่องกระจกมากเมื่อรู้ขึ้นมาได้จึงรีบเดินไปที่กระจกบานนั้นและยุ้ยต้องตกตะลึงยืนแข็งทื่ออีกครั้งไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆได้ทําได้แค่เพียงร้องเรียกพ่อแม่ดังๆเท่านั้นพ่อคะพ่อคะแม่คะพ่อคะ เร็วๆเร็วๆมาดูนี่เร็วๆด้วยความตกใจคิดว่าลูกเป็นอะไรจึงบิ่งพูดเข้ามาในห้องนอนของลูกพร้อมกันและทั้งสองก็ต้องตกตะลุงยืนตัวแข็งทื่อเหมือนกันกับยุย้ยไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ทําได้แค่เพียงพูดออกมาว่าลูกรักลูกรั ก, ล, กลูกหายแล้วลูกหายแล้วพอทั้งสามคนได้สติต่างก็เข้ามาสวมกอดกันแน่นร้องไห้กันยกใหญ่เพราะใบหน้าของยุ้ยกลับมาเหมือนเดิมผมก็กลับมาดําเป็นเงางามเหมือนเดิม ในเมื่อร่างกายของยุย้ยกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะเอากระจกบานนั้นกลับไปไว้ในห้องเก็บของแต่กลับรักและชอบมากขึ้นเพราะยุย๋ยคิดแล้วว่านี่เป็นของบรรพบุรุษควรจะเก็บ ร, รักษาไว้ให้ดีและไม่ควรหวาดกลัวแล้วจึงเดินไปยืนที่หน้ากระจกพนมมือไหว้พร้อมกับพูดว่าหนูขอโทษนะคะหนูขอสัญญาว่าต่อจากนี้ไปหนูจะไม่แปลกพล่อยอีกขอบคุณนะคะที่ยกโทษให้หนู